ิญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุขที่23ตุลาคมพุทธศักราช2552เป็นวันหยุดราชการเป็นวันปิยมหาราช เป็นวันที่ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดเพื่อจะได้มารำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9พระจุลจรมเกล้ามหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงชนชาวไทย ถึงกะจึงเป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทยมาตลอดแม้จะไม่ได้พบได้เห็นท่านแต่พระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ทำให้พระ อ, องค์ท่านเป็นที่รักและเคารพของบุคคลที่ได้รับรู้ถึง พระคุณของท่านนะคำว่าปียะแปลว่าเป็นที่รักเรื่อมใสศรัทธาของผู้อื่นการที่เราจะเป็นบุคคลที่น่ารักได้นั้นเราต้องมีคุณธรรมสำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือเมตตาความเมตตานี้แปลว่า ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคือคิดดีต่อผู้อื่นพูดดีต่อผู้อื่นและทำดีต่อผู้อื่นหรือไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่พูดร้ายต่อผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นถ้ามีความเมตตาแล้วย่อมเป็นที่รับของบุคคลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเพราะนี้คืออนิสง์หรือผลที่เกิดจากการมีความเมตตานั่นเอง <c oughs> และเมื่อมีความเมตตาแล้ว <c oughs> ก็จะมีความกรุณาตามมา <c oughs> เมื่อมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น <c oughs> เวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน <c oughs> ก็จะมีความสงสาร มีความอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือเป็นความทุกข์ทางใจถ้ามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็จะยินดีช่วยเหลือเกิดจากความมีเมตตาคือความคิดดี ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเมื่อมีความเมตตาแล้วก็จะมีความการุณาแล้วก็จะมีมุติตาคือความยินดีในความสุขของผู้อื่นเมื่อกี้นี้มีความสงสารการุณาแปลว่าสงสารในความทุกข์ของผู้อื่นถ้าผู้อื่นมีความสุขก็มีความยินดีไปกับเขาด้วย คือไม่ได้อิจฉาริษยาว่าเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราทำให้เราเกิดความไม่พออกพอใจซึ่งไม่ใช่เป็นความทิดที่ดีหรือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นเองผู้ที่มีเมตตาแล้วย่อมไม่อิจฉาหรษอยาในความสุขในความเจริญของผู้อื่นเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้จิตใจ ของตอนเองเศร้าหมองทำให้จิตใจของตอนเองทุกร้อนไปเปล่าๆโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคนที่เขามีความสุขเขามีความเจริญเขาก็มีความสุขความเจริญของเขาไปแต่ถ้าเรามีอมุติตาคือมีความยินดีชื่นชมกับความสุขของเขาเราก็เราก็มีความสุขด้วย เรามีความสบายใจไปด้วยแล้วก็นอกจากมีกรุณามีมุริตาแล้ว<ม>ก็จะทำให้มีอุเบกขาตามาด้วยอุเบกขาก็คือความรู้สึกที่ปล่อยวางคือไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังในกรณีที่ เป็นเหตุสุดวิสัยเช่นเห็นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายมีแต่จะตายเท่านั้นรอเวลาตายผู้ที่มีจิตเมตตากราุณาบุดิตาก็จะไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของผู้อื่น ถ้าได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรไปได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเป็นคนที่เรารักหรือไม่รักก็ตามย่อมเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายที่จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายไปเป็นธรรมดา ถ้าเรามีความรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่เหนือวิสัยของทุกๆคนในโลกนี้ที่จะทำอะไรได้ก็ต้องมีอุเบกขาคือทำใจให้สงบปล่อยวางไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่วุ่นวายใจปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติ คือร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะมาจากดินน้ำลมไฟ <c oughs> แล้วเมื่อดินน้ำลมไฟ <c oughs> เขาถึงเวลาที่จะต้องแยกตัวออกจากกันน้ำเขาก็อยากจะกลับไปสู่น้ำลมเขาก็อยากจะกลับไปสู่ลมดินก็อยากจะกลับไปสู่ดิน ไปก็อยากจะกลับไปสู่ไฟก็ไม่มีใครไปหยุดยั้งธรรมชาติได้เหมือนกับฝนตกก็ไม่มีใครไปหยุดฝนได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติฉันใดเรื่องของร่างกายคือเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นเดียวกันร่างกายเมื่อธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ มารวมตัวกันอยู่ในท้องของแม่ก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นร่างกายแล้วเมื่อคลอดออกมาก็ได้รับการเติมภาตอยู่ตลอดเวลาอาหารที่รับประทานเข้าไปนี้ก็เป็นส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมทั้งน้ำที่ดื่มเข้าไปรวมทั้งอากาศที่หายใจเข้าไป เหลนี้เป็นการเติมธาตุเหมือนกับเติมน้ามันในถังในในรถยนต์ <Okay. S 1> เติมไปแล้วรถยนต์ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ร่างกายเมื่อได้มีการเติมธาตุสี่อยู่อย่างสม่าเสมอ <Okay. S 1> ก็จะสามารถเคลื่อนไหวไปมาทำอะไรต่างๆได้ <Okay. S 1> แต่เมื่อ ถึงเวลาที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วร่างกายก็จะต้องเสื่อมลงไปตามลำดับตามกฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปของทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝนก่อนที่จะตกลงมาได้ก็มีการเกาะตัวเป็นกลุ่มเมฆ บนท้องฟ้าเมื่อก่อตัวจนใหญ่และมีความหนักมากก็จะตกลงมาเป็นน้ำก็จะตกมาเรื่อยๆไปจนเมฆหรือน้ำบนท้องฟ้านั้นตกลงมาหมดแล้วฝนก็จะหยุดเป็นเหตุการณ์ปรากฏการทางธรรมชาติเช่นเดียวกับการปรากฏการ ธรรมชาติของร่างกายทั้งเมฆและน้าฝนที่ตกลงมาเป็นไม่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนร่างกายก็เป็นเช่นเดียวกันร่างกายก็เป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำาลงไฟเมื่อรวมได้เต็มที่แล้วเขาก็จะแยกจากกัน ร่างกายก็จะสลายหายไปหมดร่างกายก็เป็นอนิจจงไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราผู้ที่มาเป็นเจ้าของของร่างกายหรือมาใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือนี้คือใจใจคือผู้รู้ใจเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามา ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจไม่ใช่ร่างกายแต่เนื่องจากใจขาดปัญญาขาดแสงสว่างแห่งธรรมถูกความหลงคือความมืดบอดของใจขาดถูกอวิชชาความไม่รู้จริงการไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง จึงทำให้ใจหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจร่างกายเป็นตัวเราของเรานี่คือความคิดของใจใจจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เสียอกเสียใจใจก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความเดือดร้อนใจ เกิดวความกลัวขึ้นมาเพราะไม่ได้มีแสงสว่างแห่งธรรมชี้บอกเหมือนกับขับรถในายามวิการไม่มีแสงสว่างนำทางไปขับไปก็จะต้องประสบกับอุบัติเหตุเพราะมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นสิ่งที่กิดขวางอยู่ข้างนอกฉันใดใจที่ปราศจาก แสงสว่างแห่งธรรมก็จะถูกความมืดบอดของความหลงและโมและอวิชชาหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดอุปาทาน ความยึดมั่นเกิดตัณหาความอยากได้เห็นเงินทองว่าจะให้ความสุขเห็นว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเห็นว่าเป็นสมบัติของเราก็เลยอยากจะสะสมเงินทองให้มีไว้มากๆเพราะจะได้มีความสุขมากๆแต่หารู้ไม่ว่า <c oughs> เงินทองนี่ก็เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มาแล้วก็ไปได้มีก็หมดได้แล้วก็ไม่ใช่สมบัติของเราที่แท้จริงเมื่อเวลามันหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมานั ก, กว่าช่างพระพุทธเจ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมเห็นโทษของของอนิจจงทุกขังอนัตตา ในเงินทองในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกิืนกายจึงไม่มีความหลงที่จะไปอยากได้ไปอยากมีไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในลาบยศสรรเสริญ ส, สุดถ้ามีก็รู้ว่ามีเฉยๆแต่ไม่ได้ไป ถูกติดไว้กับสิ่งที่มีหรือที่ได้มารู้ว่ามีจะไปก็พร้อมที่จะให้ไปนี่คือผู้ที่ไม่มีอุปทานผู้ที่ไม่มีความมืดบอดครอบงำจิตใจจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่น่ายึดติดไม่น่าอยากได้แต่ถ้ายังอยู่ในโลกนี้ก็เป็นปกติที่จะต้องสัมผัส รับรู้กับโลกกระททั้งแต่คือการเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขและความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่คือสิ่งที่เป็นปกติของโลกเหมือนกับเวลาลงไปในสระน้ำต้องเจอน้ำจ้องเจอความเปียกเป็นปกติ ไม่มีใครลงไปในน้ำแล้วจะไม่เปียกฉันใดไม่มีใครอยู่ในโลกนี้จะไม่ได้สัมผัสกับโลกกระททั้งแปดคือการเจริญและเสื่อมของลาภยศสารเสริญสุข <c oughs> อยู่ที่ว่าจะรู้จักวิธี <c oughs> ปฏิบัติกับโลกกระทำทั้งแปดนี้หรือไม่ถ้ามีปัญญา มีธรรมะมีแสงสวง่างแห่งธรรมก็จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามีก็มีไว้อย่างนั้นเองถ้าถึงเวลาที่จะไม่มีก็อยู่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ว่ายึดติดหรือไม่ก็ลองอยู่แบบไม่มีดูมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บไว้ก่อนอย่าไปใช้เงินใช้จอม ลองอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองดูยกเว้นใช้กับสิ่งที่เป็นจําเป็นต่อการดํารงชีพ ค, คือปัจจัยสี่ใช้เงินเฉพาะซื้ออาหารซื้อยาซื้อเครื่องนุ่งหม่มถ้ามีเครื่องนุ่งห่มพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อซื้อบ้านหรือซื้อที่อยู่อาศัยถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อลองอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินดูสัก วันสองวันหรือสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูว่าจะอยู่ได้หรือไม่ถ้าอยู่ไม่ได้มีความทุกข์กวนกวายกระสับกระส่ายก็แสดงว่ามีความหลงยึดติดอยู่กับเงินทองกับการใช้เงินใช้ทองถ้าอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็จะถือว่าไม่ยึดไม่ติดถ้าไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะสบายเพราะ เวลารวยแล้วจนก็จะไม่เดือดร้อนเวลาจนแล้วรวยก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ยึดติดกับเงินทองเงินทองจะเจริญจะมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจเวลาเงินทองหมดไปก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจนี่คือข้อสอบของของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อปราทถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์ ที่เกิดจากการสัมผัสกับโลกธรรมทั้งแปคือลาบุศสรรเสริญสุขลองทำข้อสอบเหล่านี้ดูว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเงินมีทองได้หรือไม่ยกเว้นสำหรับใช้กับสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพื่อดำรงชีพคือปัจจัยสี่แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นของฟุ่มเฟือยทั้งหลายหรือ เอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือซื้อของที่มาบำรุงบาเรอความสุขทางตาหูจมูกม้นกายเหล่านี้เราจะไม่ไปใช้มันกับสิ่งเหล่านี้จะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเดินเครื่องเดินต่างๆถ้าหิวน้ำก็เดินน้ำเปล่า ขนมนมเนยต่างๆก็ไม่ต้องรับประทานเพราะร่างกายได้รับพอเพียงแล้วรับประทานถ้าอย่างพระรับประทานเพียงมือเดียวก็พออยู่ได้ถึงยี่สชั่วโมงถ้าเป็นคาราวาห์ทาใจอ่อนก็ลองสองมือก็ได้ไม่ต้องรับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วก็พอ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำเ ป, ปล่าๆไม่ต้องดื่ม เพิ่มเดิมชนิดต่างๆน้ำชากาแฟเบบซี่โคลาขนมนมเนยอะไรต่างๆไม่ต้องเดิมมันดูซิว่าจะทำได้หรือไม่นี่เป็นข้อสอบว่ายังติดอยู่ในรถของรูปสิงกิ่นรถหรือป่าถ้ายังติดอยู่แล้วก็จะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดจะต้องมีเสพอยู่เรื่อยๆจะต้องมีเดิมมีรับประทานอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ได้ดื่มไม่รับประทานแล้วก็จะเกิดความทุกข์กระวนกระวายในใจขึ้นมานี่คือการทดสอบดูว่าเราปล่อยวางลาบยกสะระเสริญสุขได้หรือเปล่าเวลาคนไม่สะรรเสริญไม่ยกย่องไม่ชื่นชมยินดีแต่กับดูด่าว่าเกา่าตำหนิติเตียนนินทาเราจะทำใจ เฉยๆได้หรือเปล่าทำใจเป็นอุเบกขาได้หรือเปล่าเวลาที่ถูกย้ายงานจากตำแหน่งที่ดีไปสู่ตำแหน่งที่ไม่ดีหรือเวลาที่ไม่ได้รับเลื่อนยศตามสมควรแก่เวลาที่ควรจะได้รับเลื่อนจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกโมโหโทโสเสีย อ, อกเสียใจโกรธ เกลียคนนั้นคนนี้หรือว่าเฉยๆถือว่าเป็นคติธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาและมีการไม่เจริญไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับฝนฟ้าเราไปบังคับฝนฟ้าไม่ได้ฉันใด เราก็ไปบังคับราบยศสารเสริญสุดให้เจริญหรือเสื่อมไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราไม่ฉลาดเราจะอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าเราฉลาดเราจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมนี่คือข้อสอบของผู้ที่ปรารถนา การหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องใช้ข้อสอบนี้ดูทดสอบดูไปก่อนว่าทำใจได้หรือไม่นี่เป็นเพียงขั้นปฐมเท่านั้นยังมีขั้นที่สูงกว่านี้ที่ยังจะต้องทดสอบตัวเองเช่นร่างกายเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายยังจะทำใจได้หรือเปล่าจะทำใจเฉยๆได้หรือเปล่า มีสัมมาทิฏฐิรู้ทันรู้เปล่าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ได้เป็นตัวเราของเรานี่ก็เป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งหรือเวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยมีความเจ็บปวดอย่างมากมายจิตใจจะสงบนิ่งเฉยเฉยไม่รู้สึกเจ็บปวดไปกับความเจ็บปวดของร่างกายได้หรือเปล่าถ้าทำได้แล้วจะไม่กลัว ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่กลัวความเจ็บปวดของร่างกายจะเจ็บมากน้อยเพียงไรใจจะรับรู้เฉยๆใจจะไม่ปุงแต่งว่าตัวเองเจ็บไปด้วยหรืออยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้ายิ่งมีความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือกลัวความเจ็บแล้วแล้วก็ใจจะยิ่งมีความทุกข์ทรมานขึ้นมารุนแรงยิ่งกว่า ความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันจนทําให้ไม่สามารถทนอยู่ได้ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายเมื่อเจอพบกับโรคภัยที่รักษาไม่หายและเจ็บมากๆนี้ก็จะมีมิจฉาทิฏฐิอย่างคนสมัยใหม่ในโลกนี้เวลาที่เขาพบกับโรคที่รักษาไม่ได้เขาก็จะขอให้หมอช่วยฉีดยา พิษให้เขาเพื่อเขาจะได้ตายเลยแต่เขาหารู้ไหมว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้ใจของเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะขณาที่ถูกฉีดยาพิษมันก็ยิ่งเจ็บปวดทรมายยิ่งขึ้นไปใหญ่และมันจะยิ่งทุกข์ทรมานขึ้นไปใหญ่อีกหลายร้อยเท่าทีเดียวเขาไม่รู้วิธีที่จะต่อสู้กับความเจ็บปวดของร่างกาย ก็คือการทำใจให้เป็นอุเบกขานี่เองทำใจให้เป็นให้นิ่งเฉยให้ปล่อยวางให้ยอมรับความจริงว่าความเจ็บนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นเหมือนกับฝนตกเวลาฝนตกถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องของฝนไม่ไปอยากให้ฝนหยุดหรือฝนหายไปเราจะรู้สึกเฉยเฉย แต่ถ้าเราอยากใช้ฝนหยุดเพราะเราอยากจะกลับบ้านอยากจะไปทาธุระอยากจะออกไปข้างนอกพอฝนไม่หยุดใจของเราก็จะกระสับกระส่ายกังวลกังวายอยู่ไม่เป็นสุดนี่คือปัญหาของใจที่เรียกว่าทุกข์ทุกในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมายถึงทุกตัวนี้อนิจจังกับอนัตตานี้เป็นสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิธธภัณฑ์นี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่เขาไม่เป็นทุกข์เขาไม่มีทุกข์ในสิ่งในตัวของเขาเองแต่มันเป็นทุกข์อยู่ในใจของเราที่เราไปยึดไปติดกับเขาต่างหากถ้าเราไม่ไปยึดไปติดแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะสุขไม่ว่าเขาจะมาหรือเขาจะไปดังนั้นต้องทำความเข้าใจว่าควาว่าทุกข์นี้ไม่ได้เป็น ไม่ได้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่เป็นทุกข์หมายถึงใจที่เป็นทุกข์ที่ไปยึดไปติดที่ไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆ ต, ต, ต่างหากคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะแปลคำว่าทุกข์นี้ผิดไปจะแปลว่าทนอยู่ไม่ได้ซึ่งไม่ได้หมายไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรถ้าแปลว่าทนอยู่ไม่ได้หมายว่าจะต้องเสื่อมดับไป มันก็แปลว่ามันก็หมายถึงอนิจจังต่างหาอนิจจาก็คือมันไม่เทียมมันต้องเสือ่อมต้องดับไปหรือว่าจะแปลว่าเป็นอนัตตาก็ได้เพราะมันจะต้องจากเราไปมันจะไม่อยู่กับเรามันจะทนอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้แต่จะแปลว่าไปแปลว่าเป็นทุกข์ไม่ได้มันไม่ใช่คำว่าทุกข์นี้หมายถึงใจของผู้ที่ไปยึดติดกับ สิ่งต่างๆต่างหากสิ่งต่างๆเขาไม่มีทุกข์ในตัวเขาเขามีแต่อนิจจังมีแต่อนัตตาเท่านั้นถ้าปฏิบัติแล้วจะเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาแล้วก็จะจินตนาการนึกคิดไปตามความรู้สึกก็จะคิดว่าอ้าถ้าเขาเป็นอานิจจังเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นทุกขังทุกขังก็จะต้องอยู่กับเขาด้วย แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกนี้คือทุกในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกที่เกิดจากสมุทัยคือความอยากต่างๆนี้เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดผภภักอยากดูหนังอยากฟังพเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พอไม่ได้ไปปั๊บก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีหรื อ, อยังไม่ได้ทันไปก็กระสับกระส่าย ก, กายนะังวลกวแล้ว อยากจะไปให้ได้อยู่บ้านไม่ติดแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนี่ก็เป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดอยากและทุกข์จากที่เวลาอยากแล้วไม่ได้สมใจอยากนี่คือความทุกข์และวิธีจะดับความทุกข์นี้ก็ต้องใช้มรรคมรรคก็คือธรรมะคือสัมมาทิฏฐินี่เองความเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเสิ่งต่างๆทั้งหลาย มันเป็นทุกข์อย่าอย่าไปยุ่งกับมันมันไม่เทีย่ยงมันไม่ใช่เป็นความสุขได้มาเท่าไหร่แล้วก็ไม่พอเหมือนกับเป็นยาเสพติดพวกเราก็รู้ว่ายาเสพติดเป็นโทษอย่างไรแต่เรากลับไม่รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นโทษเหมือนกับยาเสพติดเราก็เลยยังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็ทุกไปกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นสมุทยัยเป็นเหตุสร้างความทุกข์ขึ้นมาพอเราเข้าใจแล้วเราก็เลยหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปชอบไปยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสพอเราสามารถ หากห่างความชอบความยินดีได้จนไม่มีเหลืออยู่ในใจแล้วความทุกข์เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะดับไปก็จะหมดไปจะหมดได้ก็ต้องมีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนแล้วก็ต้องมีอุเบกขาคือการทำใจให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางให้ได้เราจึงต้องทำสมาธิกัน ฝึกทำสมาธิกันก็นเพื่อจะสร้างอุเบกขาการปล่อยวางไว้ในจิตนั่นเองถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเรายังไม่รู้จักปล่อยวางต่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรายึดติดอยู่นั้นสร้างความทุกข์ให้กับเรามากน้อยเพียงไรเราก็ปล่อยวางเขาไม่ได้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดรู้อยู่ว่าทุกข์ทรมานกับยาเสพติด แต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยวางอย่างไรเพราะไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยทําใจให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขานั่นเองดังนั้นผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงอย่ามองข้ามเรื่องของการทําสมาธิไปเป็นอนันขาดแม้จะยากเย็นอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมะที่จะต้องมี ซึ่งมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในสมัยนี้ในนักปฏิบัติกันมากว่าไม่ต้องมีสมาธิจเจริญปัญญาไปเลยพิจารณาไปเลยแล้วจะดับความทุกข์ได้ถ้าดับได้ตอนนี้ก็มีพระอาหารหันต์เดินเดือนกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเพราะมีผู้ที่นิยมปฏิบัติกันแบบอย่างนี้เป็นจำนวนมาก เพราะบอกว่านั่งสมาธิมันยากนั่งไม่ได้ถ้าคิดว่านั่งสมาธิมันยากแล้วเราจะคิดว่าการเจริญปัญญานี้มันง่ายกว่าเลอการเจริญปัญญานี้มันยากยิ่งกว่าการเจริญสมาธิอีกเป็นหลายร้อยหลายพันเท่าทีเดียวการที่ตันเองคิดว่ากำลังเจริญปัญญาอยู่นั้นมันไม่ใช่เป็นการเจริญปัญญาที่แท้จริงมันเป็นการเจริญจินตนาการเป็นการ คิดไปเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นจริงเป็นจงังอยู่ภายในจิตใจใจไม่ได้ปล่อยวางในสิ่งที่ตนเองจินตนาการไปจังยังใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆยังติดอยู่กับลาบยศเสริญสุขอยู่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ตนเองกำลังติดอยู่ต้องตัดต้องละให้ได้ พวกนี้คิดว่าสามารถบรรลุธรรมได้โดยเป็นคารวะไม่ต้องออกบวชนี่เป็นความคิดผิดถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสละราชสมบัติไม่ต้องออกไปอยู่ในป่าในเขาทุกทรมานอยู่ถึงหกปีกว่าจะตัดสรุ้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วหลังจากนั้นก็ทรงนําเอาธรรมะที่ทําให้ท่านได้หลุดพ้นนี้มาสั่งสอน ท่านก็ทรงสอนทรงสั่งสอนให้มีสัมมาสมาธิก่อนที่จะมีปัญญาสัมมาทิทิก่อนจะมีสัมมาสมาธิก็ต้องมีสัมมาสติก่อนต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านควบคุมจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพราอจะทำให้จิตใจรวมลงเข้าสู่ความสงบได้ ต้องมีสัมมาสติเมื่อมีสัมมาสติแล้วก็จะมีสัมมาสมาธิเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรมีปัญญาเมื่อมีอย่างนี้แล้วก็จะมีวิมุตติคือการหลุดพด้นได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราจงยึดมรรคแดไว้อย่าเอามรรคเจหรือมรรคหนึ 1, ่งมรรคสองเดี๋ยวนี้สมัยนี้สอนว่าไม่ต้องมีสัมมาสมาธิ ให้เจริญสติให้รู้จิตแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาไปเลยแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานเลยก็จะก็จะบรรลุแบบจินตนาการไปว่าโอ้ตอนนี้เราถึงขั้นโสดาแล้วนะตอนนี้เราถึงขั้นสกิดาคาแล้วนะตอนนี้เราถึงอนาคาแล้วนะตอนนี้เราถึงอรหันแล้วนะแต่กิเลสในใจมันหัวเราะอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวงนั้นขอให้เราจง พยายามยึดติดอยู่กับพระธรรมคําสอนของพ่อระพุทธเจ้าเป็นหลักใครจะมาสั่งสอนอย่างไรถ้าขัดกับหลักธรรมนี้แล้วก็อย่าไปสนใจเพราะจะถูกหลอกให้ไปเดินผิดทางนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทําตนเองให้เป็นบุคคลที่น่ารักชื่นชมยินดีแก่ผู้อื่น